ใครมีอะไรอยากจะถามอะไรวันธรรมดาก็จะไม่ได้เทศตามแต่เทศเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาก็จะเทศตามคําสั่งมื้อาหารตามสั่งอยากจะกินอะไรก็สั่งมาจะปรุงให้จะทําให้อยากจะฟังทำอันไหนก็ถามมาถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็น ทำแบบสำเร็จรูปทำออกมาจากงงครัวเหมือนโต๊ะจีนเทศสาวเทศก็เหมือนเทศแบบโต๊ะจีนถ้าเป็นวันธรรมดาก็ต้องสั่งอาหารต้องจะจะกินอะไรก็สั่งพ่อครัวแม่ครัวพอครัวแม่ครัวก็จะทำมาให้ใคอยากกินอะไรวันนี้ ใครมีอะไรหรือเปล่ามีปัญหาอะไรอยากจะรู้อะไรถามได้ถ้าไม่อยากก็รู้ก็ <c oughs> ก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องถามคือพระอาจารย์เคยเคยยฟังเทศพระอาจารย์ที่ อ, อาารเคยบอกว่ามีคนเขาเคยถามถามพระอาจารย์ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเราปฏิบัติไปถึงขั้นไหนแล้วเช่นการเข้าสู่ สุขั้นของพระอริยะในในลักษณะอย่า ง, งเช่นพระโสดาบานากกันพระอาจารย์ก็จะตอบว่าเวลาคุณกินข้าวคุณก็จะรู้่าคุณยิ้มหรือยังใช่ไหมคะท่านนิยมก็จะสงสัยว่าเอ๊อย่างที่พระอาจารย์เคยเคยเทศไว้แล้วก็อ่านตามหนังสือพระอาจารย์ที่ว่าเราจะต้องผ่านที่ได้ใน3 <c oughs> ขั้นของพระอริยะในในขั้นพระโสดาบานันมีสักยะทิฏฐิดีกัลลนลละแยกบุญแยก ละละละ่างแ ล, ล้วสันทาที่ละขันทาได้ที่าทายาไตลักได้แล้วก็สามารถเข้าใจอทุกนรยิยาศาสตร์ได้อย่างเนี้ยค่ะออคแล้วเข้าใจได้รยังไงค่ะคือเมื่อืมื่อเช้าเมื่อเ น, นี่ยค่ะความโยมเดินตรงผมโยมก็พิจารณาเส็จแล้วมันก็ผุดขึ้นมาถึงคําว่าสัพเพ昙มานักตากาสัพเพสามถาลานิจาร์มันก็จะมองว่า พอราเอาขันห่ามาพิจณาทุกอย่างมันก็ไม่มีตัวตนไม่มีอนิจจังทั้งหมดที่เรารู้สึกก็คือเราคิดไปเองอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละก็เลยอยากถามว่าเอ๊ะมันต้องยังไงเลยคือไอ้ที่เราจะนำมาที่มันถูกทุกอย่างก็ทิ้งมันได้ยังทิ้งร่างกายไม่ได้ยังิ้รากาไม่ได้อย่างก็ไม่ได้ต่รางกายมาเพราะโยก็ไปทิ้งเลยไปทิ้งในป่าชาเนี่ย มันจะยึดก็ไปปล่อยมันในป่าชา้าเราปล่อยนไว้ในป่าอก็สับเพย์มันพุดขึ้นมาแล้วไม่ใช่หรือเปาทำั้งหลายไม่ใช่ของเราแล้วร่างกายนี้เป็นของเราหรอือเปล่นไม่ใช่เกาไปทิ้งมันเลยเอาไปทิ้งมันในป่านะัะแล้วเราตัวเราตัวเราก็เป็นผู้รู้อยู่เฉยอลยอ เพราะว่าปกติดโยงก็จะไม่คือคือจะเหมือนกับว่าสักแต่ว่ารู้ว่าเราจำได้ว่ามันคือแบบนี้แบบนี้มันต้องรู้ตอนที่เขามาขอร่างกายนี้ไปเขามาขอร่างกายนี้ไปให้เขาไปได้่หรอหมอหมอบอกว่าเป็นมาเล็กเป็นมาแ็งนี่จะทำยังไงดี หมอบอกว่ารักษาไม่ได้แล้วเหลือสามเดื อ, อไไน น, น่าจะวันไรนั่นเองก็เห็นตอนนี้ยังไม่เจอเราก็คิดว่าเราไม่อยไหนะคระก็ต้องมาเจอมันสิไหน้ามันเจ็บมั่นไหวไมล่ะไม่เลยนานะนั่งให้มันเจ็บดูสิก็นั่งให้มันเจ็บแต่ว่าก็ก็อย่างที่อาจารย์เทศสอไว้นะครับว่า ก็สักแต่ว่ารู้ว่ามันเจ็บมันเจ็บก็เป็นเรื่องของมันเราไม่ได้เกี่ยวกับเราเป็น ค, ความเจ็บมันเป็นก็อย่าไปขยับนันไงก็ไม่ได้ขยับเราลองนั่งไปทั้งคืนอยู่เอย่าไปขยับมันยังไมได้ลอ ง, งตืงง่นกลางคื น, นอมานั่งไปมันเจ็บก็อย่าไปขยั บ, ย บ, ยบมันจะหายก็หายไม่หายก็อยู่ประมันไปกลัว ค, ความเจ็บหรือเปล่ากลัว ค, ความเจ็บหรือเปล่า ตางที่เราโอเคไหมเามันะเพเราคิดว่าเรผ่านมันมาได้ก็เคยฟังเทศหลวงตาที่ว่าไม่ว่าตอนนี้เจอบเจ็บใหญ่แล้วจะต้องเจอบเจ็บใหญตัวนี้อีกอย่างนึงแต่ยังไม่ได้เจ็บเจ็บแบบเจ็บใหญ่ใหญ่ที่ทนไม่ได้อาจเยทุยมนัานได้อย่างมากต้องสามชั่ว้มงก็อยู่ที่ว่ากลัวไม่กลัวถ้ากลัวแล้วมันจะเจ็บใหญ่เจ็บน้อยมันก็ไม่กลัวมันมันก็เจ็บเหมือนกัน ไม่กลัวไม่ไปไม่ท้าไม่ไปหามันมีพระลูกหนึ่งท่านท่านให้ให้ท่านเข้าไปอยู่ในป่าลึกแล้วก็ให้พระช่วยจับมัดท่านไว้เอาเชือกจับตัวท่านให้แน่นให้นั่งในท่าขัดสมะไม่ลุกแล้วบอกบ่อยที่ไว้สามวันค่อยกลับมาหาท่าน ท่านจะเนี่ยเอาร่างกายไปทีิ้งทิ้งแบบนั้นเนี่ยก็จะรู้ได้ว่าเราเราได้หรือไม่ไอ่าได้หรือไม่ได้ไดไไดเราให้ใครจับเราขังไว้ในห้องแล้วจับมัดมือมัดเท้าไว้ในนั่งท่านนั่งขัดสมาเนี่ยไม่กระเด็บตัวนะดูสักสักเอาแต่ครับสักวันหนึ่งก็ได้หนึ่งวันกับหนึ่งคืนดูเชือ่อว่าจะอยู่ได้ไหย มันจะปัสสาวะก็มันปล่อยมันปัสสาวะเปี้ยฉี่ไปปล่อยไปทุกอย่างถือว่ามันเหมือนร่างกายที่ตายไปแล้ว อ, อถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นโสดาบันหรือไม่ก็ต้องพิสูจน์สิอยากจะสอบใบกับขีได้หรือไม่ก็ต้องไปสอบถ้าไม่สอบจะไปรู้ว่าสอบได้ใบกับขีดหรือเปล่า อยากจะได้เป็นทนายความก็ต้องไปสอบในติบดไม่ไปสอบฉันไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าฮะเข้าใจยังาออย่งการปฏิบัติทุกขั้นตอนนี้เป็นข้อสอบใช่ไหมทาทานนี้ก็เป็นข้อสอบยังหวงทรัพย์สมบัติอยู่หรือเปล่ายังหวงเงินหวงทองอยู่หรือเปล่ายังอยากได้เงินได้ทองอยู่หรือเปล่าถ้าอยากได้เงินได้ทองไปไปเอาเงินไปให้เขาทำไม ก็เก็บไว้สิถ้าเอาไปให้เขาแล้วก็ไปหา ม, มาใหม่ไปหาเงินมาทำไมมันก็วนอยู่ในอ่างการให้เงินทองก็แสดงว่าเราไม่ต้องการแล้วถ้าต้องการไปให้ก็ทํำไมทีให้แล้วยังติดอยู่กับเงินทองหรือเปล่าเราอยู่นด่ไม่มีเงินทองได้หรือเปล่าพวกแม่ทีก็อยู่วัดเขาไม่มีเงินทองก็อยู่กันได้ พระเขาก็ไม่มีเงินทองเขาก็อยู่กันได้แล้วก็อยู่แบบเขาไม่ได้นลอาจจะมีเงินทองไว้สําหรับค่ากินค่าอยู่อันนี้ยกเว้นให้พระก็มีคนเลี้ยงชีบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีไม่มีก็ต้องเลี้ยงตัวเองถ้าเอาเงินทองมาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงชีพไม่เป็นไรแต่อย่างเงินทองไปใช้อย่างอื่น ไปซื้อขนมนมเนยไปเที่ยวไปดูไปฟังไปเล่นไปซื้อเสื้อ้องเสื้อผ้าที่ไม่จําเป็นจะต้องซื้อเสื้อผ้ามีสองสามชุดก็พอแล<ม>้วเงินที่เหลือก็ก็ยกให้คนอื่นไปหรือเก็บไว้สําหรับใช้เฉพาะค่าใช้จ่ายที่จําเป็นเนี่ยการทําทานก็นี่ก็เป็นข้อสอบแล้วทําได้ไหม ไม่ให้เอาเงินไปซื้อข้าวซื้อของที่ไม่จําเป็นไอ้ของฟุ่มเฟือยต่างๆไอ้ดีก็ไปอยู่เป็นพระเป็นเป็นชีไปเลยจะได้รู้ว่าอจะรู้ว่าติดเงินติดทองหรือเปล่าถ้าติดเงินติดทองก็ไปถึงนิพพานไม่ไปไปไม่ได้ไปนิพพานไม่ได้นิพพานเขาไม่ใช้เงินอย่างันนี้ไปนิพพานนี่ก็ไม่ใช้เงิ น, น, น, น, ใ, ชงนใช้ทองเลย ใช้เขาใช้ธรรมะกันใช้ศีลสมาธิปัญญารักษาศีลแปดได้ไหมนี้ก็เป็นข้อสอบอีกข้อนึงรักษาศีลห้าก่อนก็ได้ศีลห้าข้รักษาได้กปล่รักษาไม่ได้เขาไปนิพพานไม่ได้รักษาศีลห้าได้แล้วก็ต้องรักษาศีลแปดรักษาศีลแแล้วรักษาศีลสิบ ศีลสบก็มีข้อไม่จับเงินจับทองไม่ใช้เงินใช้ทองถูาซื้อสินแปดนี่ยังไม่ห้ามเรื่องใช้เงินใช้ทองแต่ถ้าถ้าจะเป็นนักบวชจริงๆนี่ก็ต้องถึงอศีลสิบไม่ใช้เงินใช้ทองไม่เที่ยวไม่ไปนั่นมานี่อยู่ในวัดอยู่กับที่ปฏิบัติธรรม มันจงกมนั่งสมาธิแล้วก็ปล่อยวางร่างกายปล่อยให้ร่างกายมันตายไปมันจะแก่ก็แก่ไปจะเจ็บก็เจ็บไปจะตายก็ตายไปไม่เดือดร้อนถ้าปล่อยได้แล้วมันสบายใจทุกวันนี้ที่มันไม่สบายใจเพราะมันปล่อยไม่ได้มันอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ พ็ไม่ได้เป็นนางใจอยากก็เสียใจทุกวันนี้เราเสียใจทุกใจเพราะอะไรเพราะไม่ได้นางใจอยากใช่ไหอยไอยากได้นู่นอยากได้นี่เราบวดพามกันนี่บวชชีกันก็ อ, อกหักแล่วอยากให้สามีดีสามีไม่ดีสามีชอบไปเที่ยวกินเหล้าเม่ายาชอบเล่นการพนันก็ไม่สบายใจ ก็อย่าไปอยากใชก็หมดเรื่องเขาะจะทําอะไรก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราเท่าไหรเราไปยุ่งกับชีวิตเขาทําไมใช่ไหมเราทำไมไม่หัดอยู่คนเดียวตัวคนเดียวแสนจะสบายไปอยู่กันสองคนเนาะเดี๋ยวก็ต้องทะเลาะกันต้องขัดใจกันต้องเสียใจกัน พก็เพราะว่าอยากจะอยู่กับเขาอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วเหงาไม่อยอมพึ่งตัวเองชอบพึ่งคนอื่นพอได้พอพึ่งเขาแล้วก็พอเขาไม่เป็นที่พึ่งของเราก็เสียใจพอเขาไม่ทําตามใจเราก็เสียใจเราไปอยากเขาทำตามใจเราทําไมทำไมไม่อยากปล่อยให้เขาทําตามด้วยของเขาบ้างล่ะ เขาอยากจะทําอะไรก็ท like ําไปสิเขาอยากจะไปเที่ยวก็ปล่อยก็าไปเที่ยวเขาอยากจะไปกินเหล้าก็ปล่อยว่าไปกินเหล้ามันไม่เกี่ยวอะไรกับเราทั้งนั้เราไปทุกข์กับเขาทำไมเพราะว่าอยากอยากให้เขาไม่ไปอยากให้เขาอยู่บ้านทางทุกของเราเกิดจากความอยากเราตัดความอยากได้แล้วก็จะไม่ทุกข์กับอะไรไม่ทุกข์กับใคร ใครจะเป็นใครจะตายแล้วก็ไม่ทุกข์ร่างกายนี้ก็ไม่ทุกข์มันจะแก่มันก็ก็ไม่ทุกข์มันจะเจ็บก็ไม่ทุกข์มันจะตายก็ไม่ทุกข์เพราะเราไม่อยากไม่ได้ไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ปล่อยมันไปตามธรรมชาติมันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปปล่อยได้แล้วจะสบายใจ คนที้ไม่ใช่เป็นแฟนเราเราเดือดร้อนไหยเขาเป็นอะไรไปเขาไปกินเหล้าเมายาเนี่เราเดือดร้อนไหมไม่นั่นเดือดร้อนเลยพอมาเป็นแฟนเราปั๊บเดือดร้อนขึ้นมาทันทีนะอุตะเจ้าสอนให้เราปล่อยทุงอย่างเพราะทุกอย่างมันไม่ใช่เป็นของเราทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสามวันดีสี่วันไข้นะ่ขอะมันก็ดีแสนดีโอ้ ทำนู่นทำนี่ให้เราพาไปท่องไปเที่ยวบางวันก็ตกตีเรานี่แหละคือปัญหาของพวกเราอยู่คนเดียวไม่เป็นพึ่งตนเองไม่เป็นชอบไปพึ่งคนนั้นคนนี้ชอบไปพึ่งสิ่งนั้นสิ่ง น, นี้พอสิ่งที่เราไปพึ่งพึ่งไม่ได้ก็เสียใจพึ่งตัวเองเสียหัดอยู่ตามลําพัง ทำทุกอย่างให้กับตัวเราเองทำกับข้าวเองทำกับกวาดบ้านถูบ้านเองไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นสบายถ้าไปพึ่งคนใช้เดี๋ยวคนใช้มันลาป่วยลากลับบ้านจะทำาังไงพระเจ้าสอนให้พระพึ่งตัวเองเช้าก็ไปลินกระบะทลินเสร็จก็ล้างบาทเองเช็ดบาตเองถูบาทเอง ว่าถือสาวลงสาลายทำทุกอย่างเองวัดไม่มีคนใช้สังเกตเลยวัดแท้แท้ไม่มีคนใช้วัดป่านี่คนมาคนที่เข้ามาช่วยวก็มาช่วยโดยไม่คิดค่าไม่คิดสตังก็ามาทําบุญเขาก็มาช่วยก็อยากจะได้บุญนะจะมีความสุขก็ต้องตัดทุกอย่างจะมีความสุขมากกว่ามี สิ่งต่างๆเยอะแยะมีสามีมีภรรยามีลูกนี้กับคนไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีลูกนี้ใครจะสบายกว่ากันใครจะสุขกว่ากันของก็เห็นชัดๆอยู่แต่ก็ยังอยากจะมีกันเหรอเ็นคนหนึ่งก็มีแฟนก็อยากจะมีกับเขาเห็นคนหนึ่งเขามีลูกก็อยากจะมีรับเขาไม่เห็นตอนที่เวลาเขาทุกข์บ้างเวลาลูกเขาตายเวลาสามีเขาตายกัน เป็นยังไงเวลาทะเลาะ ก, กันเนี่ยความหลงมันหลอกให้เราเห็นว่าดีไปหมดมองไม่เห็นส่วนที่ไม่ดีเลยเวลาอยากได้อะไรนี่เห็นมันดีไปหมดเลยพอได้มาแล้วถึงจะเห็นส่วนที่ไม่ดีดูอย่างนี้ไม่เอานีกว่าสายไปเสียแล้วดู่างนี้ไม่แต่งดีกว่า เวลายอยากได้มันเห็นดีไปหมดพอแต่งาลวลามันถึงจยเจอของไม่ดีทีหลังนอนก็นอนนอนก็กรนดังคอาบคราบสกรปรกก็สกรปรกเข้าห้องนงห้างน้นบางทีก็ไม่ล้างไม่ล้างอยู่ด้วยกันมันทันงแยเห็นอ ก็เราสมัยเรียนหนังสือก็ชอบบ้านอยู่กันกับเพื่อนนักเรียนด้วยกันหลายคนมันก็เห็นเลดของแต่ละคนถ้วยชามันกินแล้วมไม่ยอมล้างอ่เนี่ยกองกันพะเนินเทิร์นเทีทเท่ยตอนนั่งไม่มีถ้วยชามเหลือแล้วมันก็เวลาจะกินมันก็ล้างจานใบเดียวของมันเนีเ <laughs> อาน้ำก็ ตัวใครตัวมนันอยู่คนเดียวดีที่สุดสบายขยันหน่อยแล้วส ม, มีความสุขอย่าอย่า อ, อย่าเอาความสุขจากความขี้เกียจเลยหรือให้คนอื่นมาทำให้เราเป็นความสุขที่ไม่ไม่แน่นอนเดี๋ยววันไหนเขาขี้เกียจทำให้เราเราก็สวยแล้วเนี่ยใจเราไม่มีที่พึ่ง ใจเราเลยต้องไปพึ่งร่างกายร่างกายก็ต้องไปพึ่งอาหารที่อยู่อาศาัยยารักษาโรค<ม>พึ่งกันเป็นทอดทอดไปถ้าใจเรามีที่พึ่งแล้วก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่มีร่างกายก็ไม่เดือดร้อนใจเราต้องมีความสงบเป็นที่พึ่งหยุดความคิดปุงแต่งหยุดความอยากให้ได้ถ้าไม่มีความอยากแล้วก็ไม่ต้องพึ่งอะไร ตอนนี้มันต้องพึ่งร่างกายของคนอื่นมาเป็นแฟนแเราพราะอยากจะหาความสุขกับการร่วมหลับนอนกับเขานอนคนเดียวแล้วมันเหงามันว่าวเวยมีหมอนข้างนอนด้วยแล้ว ส, สบายนอนหลับสบายแต่หมอนข้างนั้นมันก็ไม่แน่นอนวันดีคนดีมันก็กลายเป็นเสือเป็นอะไรขึ้นมาก็ได้นอนกอดเสือเดี๋ยวก็ถูกเสือกัดอีก นะอย่าไปพึ่งอะไรพระเจ้าเนี่ยสอนให้มาทําบุญทําทานรักษาศีลให้มาปฏิบัติธรรมเพื่อให้พึ่งตัวเองทำใจให้สงบแล้วใจมีความสุขในตัวเองแล้วไม่ต้องพึ่งอะไรเป็นความสุขที่ดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะหามาได้ในโลกนี้สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ถ้าได้ความสงบแล้วไม่ไม่ต้องพึ่งอะไรไม่ต้องมีร่างกายก็ได้ เพราะมีร่างกายไว้เพื่ออะไรก็มีไว้ดูไว้ฟังไว้นอนกับคนนั้นคนนี้ไงแต่ความสุขที่ได้จากการดูการฟังกอนนอนกับคนนั้นคนนี้มันสู้กับความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ความสุขนี่ได้จากความสงบนี่มันดีกว่าไม่ต้องมีร่างกายก็ได้ใจ ก, กับร่างกายมันเป็นคนละคนกันนะไม่ใช่คนเดียวกัน วิจมันพึ่งตัวเองไม่ได้มันก็เลยต้องไปพึ่งร่างกายไปหาร่างกายมาเพื่อจะได้เอาร่างกายมารับใช้เป็นคนใช้ไปหาลูกมาดูไปหาเสียงมาฟังไปหาแฟนมานอนด้วยแล้วของพวกที่หามานี้มันก็ขึ้นๆลงๆดีบ้างไม่ดีบ้างพอมันไม่ดีก็เสียใจทุกใจพอมันดีถ้า เดี๋ยมันบ่อยๆซ้ำๆักท่าก็เบื่อ อ, อีกลองกินอาหารจานโปรดดูเลยกินมันทุกวันดูสักสิบวันดูมันจะเบื่อไหมอยู่กับแฟนไปเรื่อยๆต่อไปก็เบื่อแฟนดีขนาดไหนก็เบื่อเดี๋ยวก็อยากจะนอกใจอยากจะหาแฟนใหม่ใจมันอย่างเนี้ยมันไม่มีความพอมันได้อะไรมาสักพักแล้วมันจะเบื่อ เแล้วมันก็อยากจะหาของใหม่ๆมันเลยมีเรื่องราววุ่นวายกันไปหมดบ้านครอบพงครอบครัวบ้านแต่สลัดขาดก็เพราะความเบื่อเนี่ยเวลาเจอกันใหม่ๆก็ไม่เบื่อบ้านเหมือนกับสวรรค์ทีนี้พออยู่กันไปเรื่อยๆเจอกันหน้าตาซจำเจซ้ำซากไหมกินลนะกินกับข้าวกับปลาทูทุ้งวันนี้เดี๋ยวมันก็เบื่อเองอะ น, นานๆกินน้าพริกกับปลาทูสักครั้งมันก็อร่อยแต่ต้องกินน้ำพริกกับปลาทูทุกวันนี่เดี๋ยวมันก็เบื่อเบื่อมันก็อยากจะไปหาอาหารอย่างอืงอ่นกินพอใจแตกพอใจไม่สื่อสัตว์ต่อกันก็พอจับได้ก็เสียใจทะเละาะกันตีกันตายนี่ยปัญหาของพวกคนที่ใจมันไม่มีความสงบใจพึ่งตัวเองไม่ได้อยุด ใจมีของดีกับไม่ไ ม, ไม่ทําให้มันเกิดขึ้นมาเพราะขี้เกียจหรือไม่รู้ส่วนให ญ, ญ่จะไม่รู้รู้ก็ไม่ทําทําไม่ไหวขี้เกียจงั้นมาอยู่วัดถือศีลแปดก็อยู่ได้แค่สามวันก็อยากจะกลับบ้านแล้เหมือนจับกดน้ําจับกดน้ำได้ไม่กี่นาทีก็ต้องผุดขึ้นมาหายใจใจมันเคยติดอยู่กับลูกเสียงกลิ่นลน้น พอให้มาอยู่วัดตัดรูปเสียงกิ่นลดไปได้สักส3สามวันนี้ถ้าจะขาดใจตายเขาว่าเวลาเวลาไปเหมือนไก่บินเวลามาเหมือนหากิน <c oughs> <c oughs> เวลาเข้าวัดนี่หน้าตา <c oughs> <c oughs> เซนเ้าเข้าวัดกันเวลาถึงเวลาเสร็จนี่โอ้โหยิ้มแย้มแจ่มใส <c oughs> เนี่ยกพราอใจมันพึ่งตัวเมันไม่ยอมพึ่งตัวเองมันไม่ยอมเข้าสู่ความสงบความสงบมันอยู่ข้างในแต่กิเลสตัณหามันไม่ยอมให้เราเข้าข้างในมันจะดันจะผลักใจเราให้ออกไปข้างนอกออกไปหารูปเสียงกลิ่นรนาเวลาเข้าข้างในมันถึงยากเนี่ยเพราะเหมือนกับต้องต่อสู้กับข้าศึกศัตรู เหมือนกับจะเข้าไปปุ้นในธนาคารนี่ยโอ้ยเขามีรอปพคอยเฝ้าไม่ใช่จะเข้าไปในธนาคารได้ง่ายๆจะปุ้นธนาคารนี่มันไม่ใช่เดินเข้าไปปุ๊บก็ปุ้นได้อันนี้เกิไม่าไนจะเข้าเข้าไปในใจเข้าไปความสู่ความสงบนี่ก็ยากมีรอปพคอยล้อมคอยข้าไม่ให้เข้ามา ถ้าใจไม่เด็ดจริงๆใจไม่เก่งจริงๆไปไม่ได้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ก็ต้องมาอาศัยเนี่ยตารูปเสียงกลิ่นรสอาศัยตาหูจมูกนิ้นกลางอาศัยลาบยศสรรเสริญหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอก็ต้องสู้อย่างเดียวนั้นสู้แบบพระพุทธเจ้าสู้สู้แบบพระสาวกสู้ถ้าสู้มันก็ชนะ ทีมันไม่ยอมสู้กันเรา ล, ลดูสักปีหนึงนมัอยู่วัดถือนุ่งขาวห่มขาวสักปีหนึ่งสามวันนี้มันยังน้อยไป่ <c oughs> สามวันยังไม่เห็นผละชบวยยังไม่ได้ยกหนึ่งยกเลิกแล้ไปรู้ใครแพ้ใครชนะเราก็สิบสองยกแนะ้วสิบสองเดือน ถ้าตั้ใจจริงๆสู้กับมันจริงๆถ้าชนะมันแล้วก็สบายพอกิเลสตายแล้วก็ใจก็จะเข้าเข้าสู่ความสงบได้ตลอดเวลานี่มันเข้าไม่ได้ก็คือนั่งสมาธิเดี๋ยวก็อยากจะลุกแล้วอยากจะไปดูอยากจะฟังอยากจะไปทํานู่นทํานี่แล้วนั่งแล้วก็อึดอัดหายใจไม่ออกบ้างก็มีบางคนพอให้มันนั่งเฉยๆหายใจไม่ออกขึ้นมา ที่ให้นั่งดูทีวีนั่งดูนั้งคืนกิเลสมันชอบดันใจให้ออกไปหาหาความทุกข์กันเพราะของต่างๆที่กิเลสดันนี่เราไปหามันมันไม่ถาวรมันไม่ดีอย่างแท้จริงดีเดียวเดียวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวก็เบื่อแล้วลองดูหนังเรื่องเดียวกันซ้ำๆสักส5ห้ารอบดู ถ้ายังไม่ได้ดูนี่โหใจจดกจอนั่งจ้องดูพอดูสักสองสามรอบมันไม่เบื่อมันเบื่อแล้วไม่อยากจะดูแ <c oughs> นี่แหละของต่างๆในโลกนี้เป็นอย่างนั้นดีเดี๋ยวเดียวสุกเดี๋ยวเดีย ว, ยวพอจําเจพอชินชาแล้วก็ไม่สุขไม่ดีแล้วถึงต้องคอยเปลี่ยนไปเรื่อยๆดูเรื่องนี้แล้วก็ต้องเปลี่ยนไปดูเรื่องนั้นเปลี่ยนมันไปเรื่อยๆเขาจึงมีหนังใหม่ๆออกมาหลอก หลอกพวกเรานอกเอาเงินพวงเราเลยหรือเอาหนังเก่ามาทําใหม่ก็มีวนเวียนกันอยู่ว่าเน่ะบ้านทรายทองกลับมาอย่างนนไรเมื่อหน่าพักกับนองกลับมาได้ยัง <c oughs> <c oughs> ไม่นอนกลับมาไม่รู้กี่รอบอะไรอ่างนี้โกบลีกลับมาอย่าง มันก็วนไปเวียนมาอย่างนี้แนะหละหลอกคนใหม่ไงคนคนเก่าดูแล้วเดี๋ยวเด็กรุ่นใหม่มันโผก่เกิดมามันยังไม่เคยดูเขาก็เอามาฉายใหม่มาเล่นใหม่เปลี่ยนตัวแสดงใหม่คนที่เคยดูแล้วเมื่อดูไปนานๆก็ลืมก็อยากจะดูใหม่ <laughs> จำไม่ได้แล้วก็ดูเกิดทุกชาติเราก็ไปเล่นบทนั้นบทนี้ซเำมาอาจารย์ก็ได้อย่างเงี้ยมากี่พบกี่ชาติก็มาดูมาฟัง ม, มา ม, นะมาดูมาฟังมากินมาอะไรอย่างเงี้ยหามันไปอย่างเงี้ยไปได้เรือ่อยถ้าไม่ดึงใจเข้าข้างในมันก็ถูกกิเลสดันออกมาหารูปเสียงกลิ่นรสอยู่เงี้ยถ้าออกมาก็ต้องไปหาเงินหาทอง ไม่มีเงินทองก็ไปเที่ยวไม่ได้ไปซื้อข้าวซื้อของต่างๆไม่ได้ไปทำงานก็ต้องไปแก่งแย่งชิงดีกันเดี๋ยวก็ไปเป็นเวรเป็นกรรมกันอนึ่งเดี๋ยวก็กลายเป็นเสื้อแดงเสื้อเหลืองกันขึ้นมากลายเป็นสงครามกลางเมืองขึ้นมาถ้าไม่มีสงครามนอกบ้านก็เอาทำสงครามในบ้านกันหนึ่งเพราะกิเลสมันไม่มันไม่ยอมใครมันจะเอาตัวเองเป็นใหญ่ อยากจะได้อะไรนี้ใครใครขัดใครวังไม่ได้ใครขวางก็ต้องโดนกําจัดเท่านั้นคนจึงไม่มีความเมตตาไล่ความเมตตาไปาถ้ามีความอยากแล้วมันบาณนีใครไม่ออกแต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วเนี่ยเมตตาบาณนีมันจะออกมาหรือพระพุทธเจ้าเท่านไม่มีความอยากท่านมีแต่ความเมตตาต่อสัตว์โลก ถ้าอยากจะให้ชีวิตเรามีความสุขต้องพยายามเข้าหาธรรมะต้องพยายามปฏิบัติทําให้ได้พยายามนั่งสมาธิลึงใจเข้าเ ข, ข้าไปข้างในก่อนจะนั่งก็ต้องมีสติก่อนฝึกสติพุธโทพุธโทไว้พุธโทนี้เป็นเหมือนเบรกหรือเป็นเชือกลึงใจเอาไว้ถ้ามีพุธโทมันก็จะไปคิดถึงขนมนมเนยไม่ได้คิดถึงหนัง ค, คิดถึงแฟนไม่ได้ คิดถึงลูกคิดถึงเงินคิดถึงอะไรไม่ได้ปลูกมันไว้ดึงมันไว้ด้วยพุโทโธพุโทโธพุโทโธถ้าอยู่กับพุโทโธได้แล้วเยน็นสบายไม่หิวไม่อยากแล้วเวลานั่งสมาธิจิตก็จะนิ่งสงบนิ่งสงบแล้วก็เบาใจสบายใจเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นไม่ต้องมีอะไร อยู่คนเดียวได้อยู่ในปา่าอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้ามีความสงบแล้วอยู่ที่ไหนก็มีความสุขถ้าไม่มีความสงบแล้วอยู่ในวังก็ไม่มีความสุขอยู่ในวังก็อยากนู่นอยากได้นู่นอยากได้นี่อยู่นั่นแหละได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเห็นไหมสมัยพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายจิต ธ, ธัตถะนี่มีปราสาท ต, ต้องสามสามหลังปราสาทดามฤ ด, ดูมีไปทำไมมันก็เหมือนกันแหละ มันก็ที่หลบแดดหลบฝนเหมือนกันแต่มีการตกแต่งให้เหมาะสมกับฤดูฤดูฝนก็ต้องเป็นแบบนี้ฤดูหนาวก็ต้องเป็นแบบนี้ฤดูร้อนก็ต้องเป็นแบบนี้ใจมันไม่อิ่มไม่พอถ้ามันไม่สงบแล้วต่อให้มีสิบฤดูมีร้อยประสาทร้อยหลังมันก็ไม่พอเศรษฐีบางคนมีรถเป็นร้อยคันเ่ะ ไม่รู้เป็นแบบเอาร้อยคันไปไหนเวลาไปมันก็ไปได้คันเดียวพวกเจ้าฟ้าเจ้าหญิงคุณหญิงคุณนายมีรองเท้าเป็นร้อยเป็นพันคู่ไม่รู้มีไปทำไมบางคนนี้ต้องสร้างบ้านไว้สาหรับเก็บเสื้อผ้านนะไม่ใช่เก็บคนนะห้องเก็บเสื้อผ้านี้ใหญ่กว่า บ, บ้านของพวกเรานะใหญ่กว่าศาลาที่เราอยู่นี่ แล้วมันจะไปดูมันจะใส่ชุดไหนคู่ไหนดีก่าจะหาเจอมันเหนื่อยอ่ะ่ะที่เลยตั้หาถ้าลองปล่อยให้มันรับถ้ารับใช้มาแล้วโอ้โหมันไปใหญ่เลยเนี่ยนี่ยถ้าโยเมยให้คนให้มาสักร้อยล้านบอกเอาไปซื้ออะไรก็ได้เนี่ยโอ้โหนะ <laughs> <laughs> ต้องเอาไปดัดกิเลสใครให้มาร้อยล้านก็เอาไปทําบุญเลยไปสร้างโรงพยาบาลทำอะไรให้เกิดเป็นประโยชน์เพื่อนมนุษย์ดีกว่าแล้วใจจะอิ่มใจจะสุขไม่ยางนั้นช้ร้อยล้านซื้อเสื้อผ้าเดี๋ยวหมดก็อยากจะได้อีกแล้วยิ่งซื้อยิ่งอยากมันไม่ใช่มันจะพอที่ไห น, นความอยากไม่มีขอบมีเขต ต้องสกัดมันต้องห้ามมันต้องกั้นมันต้องสร้างขอบเขตขึ้นมาขอบเขตที่จะสู้กับความอยากก็คือความมากน้อยเอาน้อยๆเช่นเสื้อผ้าเนี่ยมาอยู่วัดนี่กี่ชุดสองสองชุดก็พอใช่กลับไปบ้านก็อยู่สองชุดนั่นแหละทาไมอยู่ว่าสองชุดได้กลับไปบ้านทาไมต้องเป็นสองร้อยชุดเลย เนี่ยฮะเนี่ยมาฝึกมากน้อยกันก็เนี่ยมากน้อยเนี่ยจะสกัดตัวความอยากนะตัวความโลภนะถ้าไม่มากน้อยก็สันโดดสันโดดก็ยินดีตามมีตามเกิดมีมีเท่าไหร่ก็มีเอาเท่านั้นแหละพอมีพอกินพออยู่ได้ก็พอไม่ต้องไปดิ้นรนม า, มากเกินไปถ้าฝึกนิสัยมากน้อยสันโดดได้แล้วชีวิตจะสบายขึ้นเนยอะ จะควบคุมค่าใช้ใจ่ายได้เงินเท่านี้จะเหลือใช้ที่ไม่พอใช้กันก็เพราะว่ามันมันไม่มีความมากน้อยใช่ไมมมีแต่มากๆ<ม>เห็นนู่นเห็นนี่ก็ดีอยากได้ก็หมดทั้งทั้งที่ไม่รู้จะมาทำอะไรเห็นรองเท้าก็อยากจะได้เห็นกระเป๋าใหม่ก็อยากจะได้เห็นนาฬิกาใหม่ก็อยากจะได้เห็นรถใหม่ก็อยากจะได้ แต่นาฬใหม่นี่อยากจะได้มันหมดแล้วพอเงินไม่พอใช้ใทํำยังไงก็ลําบากอะไรไปกู้นี่ยืมสินเขาไปโกหกหลอกลวงเ้ายืมแล้วก็ไม่ได้จ่ายเขาเอางนะพยายามหัดใช้มากน้อยสันำรวจนะสันโดจก็ยินดีตามมีตามเกิดตอนนี้มีเท่าไก็พอแล้ว ให้พอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่ยินดีกับสิ่งที่เราหามาได้ทำงานทำการหามาได้เท่าไหร่ก็พอกับเงินงทองก็เป็นเหมือนน้ำน้ำนี่เราไม่รู้ว่าวันไหนฝนจะหยุดตกในบางทีเราต้องเก็บน้ำไว้ในตุ่มยเยอะเผื่อเวลาฝนมันแรงจะได้มีน้ำใช้เงินทองหามาได้นี่ก็ไม่ควรที่จะไปใช้ใมันหมดควรจะเก็บไว้ ใช้เท่าที่จําเป็นใช้กับสิ่งที่ต้องต้องใช้จริงๆเช่นซื้ออาหารมารับประทานเสื้อผ้าไม่ต้องซื้อแล้วละ่ะน่าจะพอแล้วบ้านก็ไม่ต้องซื้อแล้วบ้านก็มีอยู่แล้วยารักษาโรค ก, ก็เก็บเผื่อไว้เผื่อไม่สบายก็ได้เท่านี้ก็พอแล้วยาไปใช้เก็บไว้ดีกว่า เวาอนาคตตกงานหรือเป็นอะไรไม่สบายทํางานไม่ได้จะได้มีเงินสัมปองนี่ไว้ดูแลเราถ้าไม่มีอะไรสัมปองไว้เลยเดี๋ยวอนาคตเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคร้ายเป็นอวมพฤกเป็น อ, มน อ, มนอมวมผาาก็ต้องไปพึ่งคนอื่นไปรบกวนคนอื่นแล้วก็จะอยู่แบบไม่มีศักดิ์ศรีอยู่แบบขอทานนี่มันก็ทําให้ไมไม่อยากจะอยู่กันคนเดี๋ยวนี้ พออายมากๆดูแลตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งคนอื่นก็คิดค่าตัวตายเนีเพราะคนที่ไปพึ่งเขาก็ไม่อยากจะให้พึ่งเขาก็ทำไปด้วยความจำใจทำให้ไปเลี้ยงลูกเกลื่อนลูกจะพึ่งลูกได้พอแก่มันมันมันมันจะเลี้ยงเรามันก็เลี้ยงแบบแบบเหมือนกระถูกบังคับ เกิดแก่แล้วไม่มีลูกใครจะเลี้ยงก็ <c oughs> ตัวเราเนี่ยแหละถ้าเราเลี้ยงตัวเราไม่ได้ก็ตายเดี๋ยวก็ตายเองถ้าไม่มีข้าวกินเดี๋ยวมันก็ตายเองไม่ต้องไปฆ่าตัวตายหรอกดีก็ให้คนอื่นเลี้ยงแล้วเขาพูดจาพูดจาหมิ่นเราอะไรเราดูถูกดูแคลนเราไม่ให้ความเคารพกับเราเกิดลูกมันไม่ให้ความเคารพกับเรานี่เราจะรู้สึกน้อยใจนหที่มันอยากจะตายเพราะมันไม่ใช่อดตายมันอยากจะตายเพราะว่า รันทดใจถ้าถ้าใจสงบแนละ้วมันไม่เดือดร้อนร่างกายจะอดอยากขาดแคลนไม่กินก็ได้อยู่กับมันไปจงกล่ามันจะแห้งกรอบตายไปเองใจไม่เดือดร้อนใจไม่ทุกข์กับมันมาสร้างความสงบให้กับใจกันแนละ้วแล้วจะมีที่พึ่ง ขาดแคลนอะไรไม่มีอะไรไม่เป็นปัญหาอยู่กับมันได้อยู่มานี่นถึงถึงวาระสุดท้ายหองชีวิตใจจะไม่เดือดร้อนเลยร่างกายจะอดมือ้อกินมือ้อจะเป็นโรคร้ายจะเป็นนํามังเพลิเป็นอามภา พ, เ ป, นนพเป็นอะไรก็อยู่กับมันไปใจไม่ได้เป็นน่าตายมันไม่เดือดร้อนแถจน่าคกายแต่ถ้าใจไม่สงบเนี่ยมันจะหลง แล้วมันก็จะไปคิดว่าร่างกายเป็นใจก็จะเดือดร้อนแทนร่างกายแต่ว่าร่างกายมันไม่เห็นมันเดือดร้อนเลยเหมือนเครื่องเนี่ยเราเอาคอ้อนไปทุบมันมันไม่เดือดร้อนหรอกเอาค้อนมาทุบร่างกายนี้ร่างกายมันก็ไม่เดือดร้อนอแต่ใจที่มาเป็นเจ้าของนี่มันเดือดร้อนแทนเวลาหมอเอาเข็มมาฉีดยาเนี่ยร่างกายมันไม่เดือดร้อนอ่ะใจสะดุ้ง ถ้าใจสงบแล้วก็เฉยๆจะฉีดก็ฉีดสะทิ่มก็ทิ่มจะแทงก็แทงไว้ก็ดูไปนี่ครับดูไปร่างกายเจ็บแต่ใจไม่เจ็บเพราะใจไม่ได้ไปคิดว่าเป็นร่างกายแต่ถ้าใจคิดว่าเป็นร่างกายก็เจ็บไปกับร่างกายด้วยเน้นต้องทาใจให้สงบให้ได้ ทำใจสงบแล้วใจจะเฉยกับเรื่องของร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรก็รับรู้เฉยเฉยไม่เดือดร้อนแทนร่างกายร่างกายมันก็ไม่เดือดร้อ น, น, bye น, เ, อนเราไปเดือดร้อนแทนมันเองเนี่ยผมเน go ี่ยเวลาไปโกนเนี่ยร่างกายมันไม่เดือดร้อนแต่ใจเจ้ <Okay. S 1> มันไปเดือดร้อนแทนร่างกายโกนไม่ได้ห้ามโกรนใช่ไหม ผมมันเดือนร้อนเนะเวลาโกนผมเนี่ยใครเดือนร้อนเนะี่ยทำไมโกงเงี้ยไม่ได้มันสวยตรงไหนมีใครสวยบ้างเลยนี่นะ <c oughs> มีแต่ผีดิบมีแต่ซากศพเดินได้ทั้งนั้นเอง <c oughs> อันนี้ต่อไปมันจะเป็นอะไรถ้ามันไม่เป็นซากศพ ก็มันสวยตรงไหนทําไมเวลากรหัวแล้วมานุ่งขาวหอมขาวนุ่งเหลืองกลับสวยขึ้นมาได้ไงนะเนี่ยปัญหาทั้งหมดคือใจไม่สงบพอใจไม่สงบ ก, ก็เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาเน้นถ้าอยากจะตัดปัญหาทั้งหมดก็มาทําใจให้สงบกัน มันท่องพุโทโธพุโทโธกันทั้งวันไม่ต้องไปคิดอะไรเดี๋ยวใจก็สงบสงบแล้วก็ที่ก็สบายที่ให้มาทาบุญทักาศาสีงภาวนาเนี่ก็เพื่อทำให้ใจสงบเท่านั้นใจสงบแล้วทุกปัญหาต่างๆก็จะหายไปร่างเงาของปัญหาก็คือความไม่สงบพอไม่สงบก็เกิดความอยากเกิดความโลภเกิดความหลงเกิดความโกรธตาม พอสงบแล้วทุกอย่างก็นะครับสังเกตดูเวลาไฟดับที่บ้านทีทุกอย่างเงียบ <c oughs> <c oughs> อยากให้บ้านเมืองมันไฟดับสักสองสามมันหนึออ่งพยายามทำทานรักษาศีลภาวนาไปวิธีที่จะทำใจสงบมันต้อง สายกันไปเป็นขั้นๆเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี่มาทําบุญทําทานความหมายอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ทําทนิดๆหน่อยๆไปเที่ยวสักสองหมื่นามาทําบุญสักสองร้อย <c oughs> อย่างนี้ก็อย่าไปทำํำนะไม่ได้ประโยชน์อะไม่ได้ผลเท่าไหร่ถ้ามันอยากจะได้ผลต้องเอาไม่ไปเที่ยวเลยเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทําบุญให้หมดเลยตัดตัดความอยากเที่ยว แล้วต่อไปมันก็จะไม่อยากเที่ยวเองมาทำบุญอยู่วัดสบายใจกว่าสงบกว่าต่อไปก็ไม่อยากจะเที่ยวไม่อยากเที่ยวก็ไม่ต้องหาเงินนะสบายก็จะมีเวลามาอยู่วัดได้นานขึ้นตรงวันนี้อยู่ไม่ได้นานก็เพราะเดี๋ยวต้องไปทางานหาเงินหาทองเพืนจะได้เาเงินไปเที่ยวกันเที่ยวหมดแล้วก็ต้องหาใหม่เพราะความอยากไม่ได้หมดเงินหมดแต่ความอยากเที่ยวมันไม่หมด มันก็ต้องเที่ยวมันก็ต้องหาอยู่เรๆแล้วหาไม่ได้พอไม่ได้เที่ยวก็คเครียดเดี๋ยวก็ทะเลาะ ก, กับคนในบ้านอลอย่างที่ต้องออกไปเที่ยวกันเพราะทุกคนจะได้สบายใจกันใช่ไหมพ่อก็สบายแม่ก็สบายลูกก็สบายใจทุกคนได้ออกไปเที่ยวกันเพราะถ้าทุกคนต้องอยู่บ้านเนี่ยถ้าเกิดไม่มีเงินออกไปเที่ยวเนี่ยอยู่ในบ้านกันเดี๋ยวก็มีเรื่องกันในบ้านนึงต้องหัดทาใจสงบแล้วจะอยู่บ้านได้ ในวัดเนี่ยพระที่ปฏิบัติที่ท่านไม่มีเรื่องกันก็เพราะต่างคนต่างทำใจให้สงบกันต่างคนนี้ก็ต่างอยู่กันเนีย่ยพอขึ้นมานี้ปัป๊บก็ไปกุฏิไทยกุฏิมนะันแล้วไม่ต้องมายุ่งกันมีความสุขกับการอยู่ตามลำพังจะมารวมกันก็มาทํากิจวัตรทำหน้าที่กวาดปัดกวาดกวา ด, ด, ดถูสาราทาอะไรให้ สะอาเรียบร้อยเสร็จแล้วก็กลับไปไปอยู่ตามลำพังอยู่กับความสงบอันนี้แหละเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ถาวรที่จะอยู่กับเราไปตลอดความสุขทางร่างกายมันสุขสุกดิบดิบได้มาแล้วก็หมดไปถ้าไม่หมดก็เบือ่อก็อยากจะให้มันหมดอยู่ดีอยากจะเปลี่ยนใหม่ที่ได้แฟนแล้วบางทีก็อยากจะเปลี่ยนแฟน เบื่อแฟนเก่าก็าอยากจะให้มันตายตา ย, ตายไปแต่ความสุขจากความสุขจากความสงบนี่ไม่มีวันเบื่อเหมือนใหม่อยู่ตลอดเวลาเหมือนแฟนใหม่อยู่ตลอดเวลาเป็นเหมือนของใหม่อยู่ตลอดเวลาไม่จำเจไม่ซ้ำซากไม่มีคำว่าเบื่อหน่ยกับความสุขที่เกิดจากความสงบ เอาลนะถ้าไม่มีใครถามอะไรคิดว่าพอสมควรแล้วอยาให้พ่อนะอยะถ า, าวาริวาหาุราปลริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตุทินังเปตานังอุปกปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปาเมวะสมิจโตสภพปุเรนตุสังกะปา ยันโทปนาระโสยถามณิโชติอระโสยถาสัพพิติโยวิวัจฉานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายูสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาทานศีลิสะนิจจังวุธาปะจายโนจตารุธรรมาวัฏาติ อายุม น, นสุขังภาลัง